การในเมืองลางคอยู่ที่นี่อวันนี้วันนี้นนเราใช้เวลาอยู่กับการเดินเกนะือบกชั่วโมงครึ่งนะอันนี้รวมเวลาพักด้วยก็ก็ไม่น้อยนะสำหรับ พวกเราหลายคนซึ่งยังเป็นผู้ใหม่สำหรับธรรมยราสองวันนี้เราก็ใช้เวลาเราเดินก็เกือบ30กิโลเมตร้นะก็เกือบหนึ่งในสามของการเดินธรรมยราครั้งนี้ ทาบว่าพวกเรามาเดินคนเดียวนะก็คงจะเลิกลนะ้มนะามคิดไปต้งนางมาแล้วนะแต่นี่เพราะว่าพวกเราช่วยกันปรคับปราคองเป็นกิริยามิให้ ก, กันและกันมีพุทธภาศิตนะในขัมภีธรรมบทนะขัมภีธรรมบทนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก พ, พูดว่า เดินร่วมกัน 7-9 ก็นับว่าเป็นมิตรเดินร่วมกัน 12-9 ก็นักว่าเป็นสหายถ้าเดินถึงเดินก็นับว่าเป็นยากถ้าเยือนเดินนายก่อนนั้นก็นัว่าเป็นตัวเองพวกเรานี่เดินกันมากกว่า 12-9 เแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นยิ่งกว่ามิตรเป็นยี่กว่าสหาย น่าสนใจนะที่พระเจ้าท่านาให้ความสำคัญกับการเดินร่วมกันอาจ เ, เ, เป็นเพราะว่าการเดินร่วมกันมันหมายถึงการที่เรามองไปข้างหน้าด้วยกัน อ, อยู่บนเส้นทางเดียวกัน อ, อันนี้ก็มีความหมายในทางจิตใจ แล้วก็หวังว่าพวกเราจะร่วมกันเดินอย่างนี้เคียงข้างกันเราก็ประคองกันไปจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่8ถซึ่งถึงตอนนั้นน้ำใจของเราก็คงจะสมานกันแน่นแฟนยึกเกาะวันนี้ ความแน่นแฟ้นส่วนก็เกิดจากการที่เราได้นอนกลางดินกินกลางซ้ายด้วยกันลำบากด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันแล้วก็เจออุปสรรคเหมือนกันนะเจอความร้อนของอาทิตย์ดวงเดียวกัน ปีนี้นี่เราก็เรียกว่าได้เจอรสชาติของธรรมยาตร า, าเกือบจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะขาดแต่ความหนาวนะยังไม่เจอเท่าไหร่ <c oughs> ปีก่อนนี่นยะถึงตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะ <c oughs> กลางคืนก็ยิ่งหนาวเรียกว่าอย่างในเพลงนะเขาบอกนะกลาง กลางวันเดินร้อนกลางคืนนอนหนาวแต่ที่ผ่านมานะก็แค่กลางวันเดินร้อนนะแต่กลางคืนยังไม่นอนหนาวเท่าไหร่ถ้าเป็นธรรมยาติตาจริงๆเนี่ยมันต้องเจอทั้งร้อนทั้งหนาวแล้วก็บางปีก็แถมฝนเข้าไปด้วยก็นะ ยังไม่ร่วมจะมีอะไรข้างหน้านะแต่ถ้าออพวกเราสามคัคคีเป็นหนึ่งเดียวสมานใจนะให้นันแสนแบบนี้ก็เชื่อว่าโอกาสจะมีมากกว่านี้เราก็จะช่วยกันและก็ประคองผ่านกันไปได้ แรที่จริงก็เส้นทางข้างหน้านะที่ลำบากกว่า น, นี้นะยังรอเราอยู่นะระยะทางที่ยาวไกลนะมากกว่า18กิโลนะก็ยังรอเราอยู่แต่คิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนะใจเราจะกล้าแกร่งกระเดิมแม่ร่างกายจะบอกช้ำไปบ้าง ก็ไม่สาคัญแล้วสาคัญที่ใจที่จริงเดิน1ิบเจ็กิโลหรือ20กิโลนะก็ยังถือว่าเบอๆนะสำหรับธรรมยาตราที่จัดขึ้นในหลายๆแห่งคำว่าธรรมยาตรานี่มันไม่ได้เริ่มต้นที่ที่นี่นะ มันมีมาก่อนแล้วที่จริงเนี่ยมันเริ่มต้นที่ประเทศกัมพูชานะประมาณปีสองสองสามสองสามสามนีนะ่ท่านสมเด็จมหาโกษณันทะท่านได้ฤิ์เริ่มจัดธรรมยัตราจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อสร้างความปรองดองคืนดีกันระหว่างคนในชาติเทมินะ เราคงทราบตั้งสามสิบปีก่อนเราจะคงที่ยินคำว่าคอมมน3สามฝ่ายนะเขาสู้รบกันสู้รบกันอยู่นานทีเดียวจนกระทั่งสู้กันต่อไปไม่ไหวก็เลยทำสัญญาสันติภาพนะโน่นไปทำที่กรุ่ปารีสนะต่อหลังก็ไปทำที่อินโดนีเซีย มีไหลมีไหลมีไหลจังหวกทำสัญญาสันติภาพแล้วก็ยังมีความหวาดระแวงก็ยังมีการซ่องสุมอาวุธผู้คนไม่มีความมั่นใจตกลงมาพฆษณาท่านก็เลยนำธรรมยาตราพาคนเดินข้ามเขตฐานที่มั่นนะของทั้งสามฝ่าย โดยเพาะเขมร เ, เขมนแดงนะคนก็หวาดกลัวกันมากแต่ว่าท่านก็พาคนเดินจนกระทั่งไปถึงพนมเป็นเป็นเวลาเป็นเดือนนะเป็นเดือนแล้วก็ลำบากกันมากคนเดินก็หลายร้อยนะมากกว่านี้เยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จคนมีความหวังกับสันติภาพที่จะกลับคืนมาสู่ การปูชาแล้วก็แต่มีอยู่สองสครั้งหลังจากนั้นความสำเร็จนะก็เห็นเห็นอยู่นะถึงแม้ว่ า, าคนจะไม่ได้รู้จักธรรมยารามากเท่าไหร่แต่ว่าสักยภาพก็กลับคืนมาสู่ประเทศการปูชาอย่างน้อยก็ไม่มีสงครามระหว่างกันตอนหลังก็ได้มีธรรมยาราขึ้นในเมืองไทยนะแล้วก็ที่ ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะคือ ท, ทำกันติดต่อกันหลายปีก็คือธรรมยาตารุ่มน้ำทะเลสาส่ขงขาเรื่องปีสามเก้าเดินกันประมาณสอาทิตย์บางปีก็เดินเป็นเดือนแต่คนไม่เยอะเท่านี้นะแล้วก็สีสันก็ไม่เท่านี้ที่นี่มีสีสันเยอะนะเด็กๆ ก, ก็มาช่วยเติมสีสัน ธรรมยาตาลกเทศรรของครายไม่ไม่ค่อยมีเด็กนะแล้วก็เดินเป็นสามอาทิตย์หนึ่งเดือนแต่ว่าระยะทางแต่ละวันก็ไม่ได้มากนะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะให้เกิดธรรมยร า, ารุ่มน้ำหลวงป่ทาวเพ่อะผมก็อคำเขียนท่านเคยเป็นร่วมงานครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะถ้าท่านก็ชอบท่านก็เลยมาปารลบกับ ลูกศิษย์นะว่าน่าจะมีอย่างนี้บ้างที่ผูโคง้งนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของธรรมยาาราลุ่มน้ำลำปะทาวธรรมยถ า, าเทาสายสงขาเลิกไปนานแล้วแล้วก็จัดก็ไม่ถึงสิครั้งนะสักห้าหกครั้งเจดครั้งธรรมยถ า, าลาปะทานี่จัดยาวนา น, านที่สุด แล้วก็ที่ที่สุดนะคือ16ครั้งแล้วก็คิดว่าจะยังมีประมาณ64ครั้งเอาผิดไปนะ84ครั้ง <c oughs> คือร้อยครั้งแต่ไม่ควรจะนากันนะั้นเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยเสียงว่าเร า, มาไม่น่าจดีขึ้นแล้วนะถ้าจากร้อยครั้งแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นแสดงว่าล้มเหลวนะ หนะลัง่างนั้นก็มีธรรมญาตายหลายแห่งจัดขึ้นนะแล้วก็แต่ละที่แต่ละแตละแห่งเนี่ยก็จัดกันแบบน่า น, นักถือมากเช่นธรรมโคตรญาตราที่จัดในโอกาสร้อยปีอาจารย์พุทธทาสเดินกันตั้งแต่สนโมกนะมาจบลงที่สเสถียรธรรมสถาน ก, ก, กี่กิโลนะ8ป0รอยกิโลแล้วก็เดินกนะ็ต้องทำเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินแบบพวกเรานี่ไม่ทันกินนะต้องเดินวัละสามกิโลนะประมาณเกือบเดือนก็ถึงนะแล้วก็ยังมีเดินธรรมยตาจากดอยเชียงดาวสุดเจ้าพยาเชียงดาวนะเชียงใหม่ก็เดินกันมา เป็นเดือนๆ น, นะไปจบลงที่ปากน้ําเจ้าพญาเพื่อกระตุ้นตัวนให้คนได้ตื่นตัวเรื่องชะตากรรมของแม่นัำเจ้าพญานะว่ากําลังแย่อันนี้ก็จัดได้ประมาณสักครั้งสองครั้งแล้วก็ยังมีเดินธรรมยาตราป่าตะวันออกก็เป็นเดือนนะจัดสองสาครั้งเหมือนกันแล้วก็เดินกันจริงจังมาก นี่ไม่นันะเดินเพื่อสันติภาพแล้วก็เดินเพื่อสันติปัตตนีนะจากสารยาไปปัตตนีเป็นพันๆกิโลนะแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่าพอไปถึงสจังหวัดช่นภาคใต้ก็ไม่มีใครรับประกันความปลอดภัยนะแล้วก็ทางผู้เดินก็ไม่อยากจะให้ตำรวจหรือทหารมามา มาระแวดระวังถือปืนนะมันมันขัดกับจุดมุ่งหมายการเดินนะเดินสันติ ป, ปัตตนีเนี่ยเขาต้องการหาทางออกด้วยสันติวิธีนะแล้วก็เดินวันเป็ประมาณสาสิบกิโลทัตมา ก, ก็ไปร่วมเดินเขาอยู่สักสองวันได้คนไม่มากนะประมาณสิบกว่าคนแต่ว่าก็พอไปถึงอ่า พอลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาร่วมเดินกันมากแล้วก็จบลงด้วยนะความสงบราบรื่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีคนตายนะตายนี่เพราะว่ า, าป่วยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าความรุนแรงาะ <c oughs> เดินกันประเภทว่าต้องขนของ ไปกันเองจะเป็นพระจะเป็นโยมนะก็ต้องขนสัมภาระกันไปเอง <c oughs> เดินเวลาสามสิกกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินธรรมยาตาลำปทานนี่ก็ถือว่าเดินแบบบกบกๆนะแปดวันวันละไม่เกินยี่สิบกิโลจะมีบางวันทท้งนั้นแหละ <c oughs> ทีะ่เพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบห้า แต่ว่าที่ไม่มีที่อื่นนะเดินธรรมยาติตามมีที่เดียวที่ทางมันงอกได้นะปีที่แล้วนี่เรียกว่ารุ่นทางงอกนะแต่ละปีมีมีชื่อรุ่นไม่เหมือนกันนะบางรุ่นก็รุ่นของทางหลงป่าอันาันปีห้าสี่รุ่นปีที่แล้วนี่รุ่นทางงอกนะสร้างวิลกรร ม, มาไว้มากอะโวเดินกันแล้วก็ไม่บ่นกันเลยนะ เพราะวันนั้นจะเป็นวันท้ายแล้วเรียกว่ารู้ใจกันมากทั้งเด็กทั้งอะไรก็ร่วมเตยนกันไม่ย่อท้อแต่ก็หวังว่าปีนี้จะไม่มีทางองอกนะการเดินเนี่ยมันเป็นวิธีการที่สำคัญนะเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประโยชน์ได้สารพัดแม้มาถึงทุกที่คนเราเดินทางด้วยรถยนต์นะเครื่องบินหรือว่าติดต่อกันทางอินเทอร์เนต็ตความเร็วแสงนะแต่ยิ่งคนใช้เทคโนโลยีในการเดินในการติดต่อมากเท่าไหร่เนี่ยการเดินเนี่ยมันยิ่งมีความหมายได้ดูหนังเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเป็นเรื่องที่สะท้อนจากเรื่องจริง เป็นเรื่องของผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งนะอายุยี่สกว่าแกชื่อสุ่ชื่อเ ช, ชอรลแล้วทำเป็นหนังเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วเป็นหนังที่ได้ชิงรางวัลตุ๊กตาทองด้วยทำจาก อ, าอัตราเชื้อประวัติของผู้หญิงคนนี้แกเดินนะแกเดินประมาณ3มเดือน ระยะทางเกือบสา0 0กิโลเมตรตรงเส้นทางที่เขาเรียกว่า Pacific Crest Trail PCT พูดง่ายคือว่าเลาะชายฝั่ง Pacific ตั้งแต่ใต้สุดคือนิวเม็กซิโกนะไปจนถึงซีแอตเทิลบอชิงตันอเมริกันมันเป็นโทวีเปเลยนะอเมริกาเนี่ย เพระฉะนนเดินเรียบชายฝั่งเนี่ยนะแปซิฟิกมันยาวมากพนะี่คนนี้เนี่ยเขาชีวิตเขาย่ำแย่ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือชีวิตบาดซบนะ เ, <Yeah. S 1> เพราะว่าเขาเขาปล่อยตัวเลวแหลกมากเขาติดยาเขาเล่น ย, ยาเขาสับสนทั้งที่มีสามีแล้วก็ยังเรียกว่าหลับนอนไม่เรื่องหน้าเพราะว่าเขาสึกชีวิตเขามันแย่ ต้องการประชดชีวิตถูกพ่อทิ้งแล้วแม่ที่เขารักก็ตายตเรื่องหัวใจแตกสลายก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่แบบไร้ทิศไร้ทางรู้ไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้สุดท้ายเขาสูว่ามันไม่ไหวแล้วมันเกินไปแล้วเ้าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะอยากจะหาทางออกให้กับชีวิตแล้วก็ไม่รู้คิดยังไงนะ เขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยเดินนะเดินคนเดียวนะเรียบชายฝั่งแปซิฟิกนะซึ่งเส้นทางทวิบางมากเพราะว่าช่วงแรกนี่ยมาเป็นทะเลทรายเป็นทะเลทรายนะไม่มีคนเลยนะเดินอยู่คนเดียวและเดินไม่แล้วไม่เคยเดินมาก่อนด้วย ทีแรกนี่แบกของหนักเกิอบยี่สิกิโลหรืออาจจะเกินกว่านั้นก็ได้แบกบจนยกไม่ขึ้นอนะทํายังต้องปั้มอยู่นานกว่าจะยกขึ้นนะแล้วก็เดินไปข้าวนี่ก็ต้องทํากินเองนะแล้วก็บังเอิญไอเตาแก๊สที่มันเกิดเสียหรือว่าไอแก๊สที่เอาไปใช้เนี่ยมันไม่สามารถจะไปใช้กับเตาได้ก็เลยต้ม อ, อะไรกินไม่ได้ซึ่อย่าง ต้องกินอะไรแบบน้ำเปล่าผสมน้ำเปล่ากินอย่างกินข้าวต้มเน่ะข้าวต้มแบบกินกับน้ำเย็นๆยะนะเรียกว่าเป็นพวกไม่ประสีภาษาการเดินป่าเลยถ้าเดินคนเดียวเนี่ยนะไหนจะต้องไหนจกลัวงูกลัวผีกลัวคนนะแล้วเดินไปเดินไปก็บางช่วงก็ไปเจอเดินไปสักพังนี้สักเดินสองเดือนได้ไปเจอหิมะแล้วนะ เจอหิมะกก็รุ่ยหิมะนะบางช่วงบางปีเขาสูงแต่ลองที่เดินเนี่ยเขาได้พิจารณาเขาได้ใครควรชีวิตของเขานะแล้วเขาสูรว่าชีวงเขาที่มันที่ผ่านมามันแย่มากแล้วเขาก็เริ่มที่จะเห็นคําตอบว่าชีวิตเขาควรจะดําเนินไปทางไหนอาจจะเป็นพราความที่ต้องใช้กําลังใจมากในการเดินนะ ต้องใช้ใจที่แข็งเข้มแข็งอดทนในสุดเมื่อ เ, เดินถึงเป้าหมายเนี่ยเขาเขาก็เปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยอที่เคยติดยาที่เคยสํัมผัสเขาเลิกหมดหนังเรื่องนี้เนี่ยนั้นก็สะท้อนเล่าถึงว่าเขาได้ไปเจออะไรบ้างแล้วก็บนเส้นทาง น, นี้เขาก็เป็นได้รับความชื่นชมสรรเสริญมากจากผู้ชายเพราะว่า แต่ผู้ชายเดินเนี่ยต้องต้องเดินกันเป็นกลุ่มเดินกันหลายคนเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็มันเหงา <Okay. S 1> สมัยนะั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือนะมันยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในสใช้การบันทึกมีเวลาในการไข่ครวญพิจารณาทบทวนชีวิตว่าเราต้องการอะไรแน่และการเดินในที่ที่มันเปล่าเปลี่ยว มันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมนะในป่าเลยนะ<ม>คือเริ่มค้นพบคำตอบแล้วก็อาจจะคนอาจจะคนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานี่ชีวิตมันเลือกได้อยู่ที่ใจแล้วก็คงได้พบความสุขในรหว่างที่เดินท่ามกลางธรรมชาติเหมือนกับเป็นการเปีกวิเวกก็เดินสามเดือนนะแล้วก็ระยะทางสองพันกว่ากิโลเมตร อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่ค้นพบคําตอบของชีวิตนะจากการเดิมทั้งที่มาลําบากนะแล้วอันตรายแต่บางทีคนเราเนี่ยการที่คนเราจะพบคําตอบของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยคำตอบของชีวิตเนี่ยสิ่งมีค่าแบบที่บางทีเราต้องแลกด้วยความยากลาบากไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆคำตอบของชีวิตถ้าได้จากการอ่านหนังสือนี่มันง่ายไป มันต้เกิดจากการที่เราได้ลองนะเจอความยากลาบากแต่นี้เขาก็ลองปิดลองถูกนะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไม่ยังเป็นต้องลองปิดลองถูกก็ได้บางทีการปรีดเพี้ยไปปฏิบัติทำรรเนี่ยก็นะ อ, อาจจะช่วยทําให้เราได้พบคาตอบก็ได้แต่สมัยก่อนเนี่ยคนหลายคนเนี่ยนะเขาพบค้นพบคําตอบ ข, ข, ข, ข, ข, ของชีวิตจากการเดิม ที่ปวนเนี่ยมันมีมันมีนักเขียนมีชื่อคนหนึ่งนะเป็นกวีที่มีชื่อมากชื่อบาโชเนอันนี้เรียกแบบไทยๆนะบาโชเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาไเขาไม่รู้เาเรียกว่าอะไรเรียกบาโชมาเลยนเนี่ยนะแปลว่ามาอแปลว่ากล้วยหรือใบตองเพราะเป็นกวีที่มีชื่อมากนะอยู่ที่กลุ่มเกียวโตสมัยสมัยนั้นเกียวโตเป็นเมืองหลวงนะ ยังไม่ได้ย้ายไปตเกี่ยว <c oughs> เขามีชื่อแต่ว่าเขารู้สึกว่าชื่นมันมันยังไม่ลงตัวมันยังขาดอะไรไปบางอย่างแม้ว่าจะได้รับคำชื่นชมสารเสด็จว่าจะได้ได้ทั้งเงินได้ทั้งกลองนะแต่เขาก็รสึกว่าชื่นมันขาดอะไรไปบางอย่างเขาเลยเริ่มต้นเดิน เดินนี่เดินจริงๆนะเดินสมัยก่อนเนี่นะมันไม่มีอะไรเลยนะผู้หญิงเชริลเนี่ยก็ ย, ยังขนสัมภาระมันก็แบก บ, บ้านไปนะมีทุกอย่างแต่ว่าบาโชนี่ไม่มีอะไรมากไม่มีเต็นนะไม่มีถุงนอนนะแล้วก็เดินเดินขึ้นเหนือไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปนี้อยู่หลายครั้งนะระยะทางเนี่ยประมาณเกือบห้าพันกิโล พอเดินอีกวันสองสครั้งระยะทางของเราเกือบ5 0าพันกิโลก็เท่ากับกรุงเทพเชียงใหม่เจ็ดครั้งนะเดินไปเนี่ยเดินไปการเดินเขาเป็นการเดินแบบสแสวงหาแล้วเมื่อเขาเขาสุนสุดการเดินเนี่ยนะเขาค้นพบคำตอบแล้วเขาบทกวีงเขานี่รลุ่มลึกมากกวีเขาเนี่ยเป็นกวีไฮกูนะถ้าพูดถึงไฮกูเนี่ยก็ต้องรู้นะว่าเจ้าพ่อไฮกูเนี่ยคือบาโช ตก ว, วีบทโก ว, วีไฮกวี เ, เขียนด้วยตัวสอนแค่เจ็ดคำแต่ว่าลึกซึ้งมากนะคือเขียนยังไงเจ็ดคำนี้ให้มันเห็นภาพนะไม่ใช่เห็นภาพเดียวนะมันลึกด้วยเป็นเป็นภาพสามพิตรนะนั่นต้องเก่งมากทีเดียวเนี่ยจะเขียนด้วยบทด้วยคำเจ็ดคำเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ ของคนที่เขาค้นพบคำตอบของชีวิตเนี่ยจากการเดินมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งมันเป็นการภาวนาและเส้นทางที่เขาเดินเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่มีชื่อนะจุดที่เขาแวะพักหลายจุดก็ทุกวันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะที่อาจมาชอบที่หนึ่งก็คือมัสึชิมะถือว่าสวยมาก เวลาไปก็นึกถึงบาโชนะว่าโหเขากว่าจะรอนแรง ม, มาถึงมัตสึชิมานี่มันมันมไกลามากอีกคนหนึ่งใกล้ตัวหน่อยนะก็คืออาจารย์ประมวลเผ็งจันเดินจากเชียงใหม่น ะ, กะเกษรแลวเอรีนะแล้วก็อยากจะกลับบ้านเกิดกลับไปกราบกราบพื้นดิน แผ่นดินเกิดเกาสมุยนะแล้วก็ปฏิญาณว่าจะใช้วิธีการเดินโดยที่ไม่พกเงินไปแล้วก็จะไม่ขอข้าวใครกินจะกินก็แต่เมื่อเข้อให้เองและจะไม่ไปพักบ้านเพื่อนหรือคนรู้จักนะ <Yeah. S 1> สี่สามข้อนี้ซึ่งยากกว่าพระนะเพราะพระเนี่ยคือไม่ไม่จับเงินแล้วก็ไม่ไปขอข้าวใครกิน ก็จะต้องมีคนให้นยอย่างไน้อยตอนเช้าเนี่ยก็ถ้าเห็นพระมาคนก็อยากจะอาศัยบาตรหรืออย่างน้อยก็ถวายน้นําำอัตมาไปเดินเรียกว่าทุต่งที่ญี่ปุ่นก็ได้หรือธรรมย่าตาเนี่ยเมื่หรคนญี่ปุ่ น, นี่เห็นพระเนี่ยเขายังเกาอีกว่กวาว น, นะหาอะไรมาถวาย แต่เขาก็ไม่มีเวลานะบางทีเขาถวายกลางวันนี่แะถวายพวกเค้กวิตกกิจอะไรพวกนี้เพราะว่าธรรมเนียมพระบินทบายเขาก็ยังพอจำได้พอเห็นพระมาเนี่ยเขาก็ <c oughs> ถึงแม้เป็นพระไทย <c oughs> เขาก็หาอะไรมาถวายเอ้พระเนี่ยเดินทุโดง g เนี่ยมนไม่ยากท่าอาจารย์ประมวลจำมวลที่เดินยากกว่าท้าไทยกว่าแค้เวลาเดินเกือบสองเดือน ระยะทางก็พันกว่ากิโลเมตรกว่าจะถึงเกาะสมุยแต่เป็นการเดินที่จะรวบเปลี่ยนชีวิตของแก่ก็ได้นะอาจารย์ประมวลต้อนหลังก็เขียนหนังสือเล่าบรรยายถึงการเดินครั้งนั้นแล้วก็บทเรียนที่ได้รับหนังสือเรื่มนชืช่วยเดินสู่อิสรภาพแต่มันมีความหมายตรงมากเลยนะเพราะว่าการเดินครั้งนั้นก็ทำให้อาจารย์าารยประมวลเนี่ยได้ปล่อยวาง นะหลายเรื่องแล้วก็ได้ได้และที่สําคัญก็ยัได้พบ ก, กับน้ําใจไมตรีของผู้คนสองข้างทางซึ่งทําให้หมันก็เป็นการเพิ่มเมตตา ก, กรุณาให้อาจารย์ประมวลมากาก็กลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้อาจารย์ประมวลก็จะเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในหนังสือเล่มนั้นแต่ว่าใน การบรรยายและก็ในการบันทึกอีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการการเดินเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์หรือไม่ใช่เป็นเกงแค่เดินไปหาความลำบากหรือว่าเดินแบบลนหาที่นะอยู่ที่ดีเดินไปทำไมนะ อยู่บ้านดีกว่าจะไปไหนก็นั่งรถเสร็จนะนั่งเครื่องบินเสร็จอะไรที่ง่ายนี่นะอะไรที่ลงทุนง่ายๆมันก็ได้คําตอบแบบดัดๆายได้รางวัลที่มันแบบดัดดความสนุกสนานที่จะได้จากการเดินทางเร็วๆแบบนั้นง่ายๆแบบนั้นมันก็เป็นความสุกสนานแบบพื้นๆนะแต่ต้องการอะไรที่มันลึกซึ้งนะ ฉันนึกที่ว่าประทับใจหรือว่าเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตเนี่ยบ่อยครั้งมันต้องทำมันต้องแลกด้วยความเพียรต้องแลกต้องพร้อมที่จะเผชิญความยากลาบากของอะไรที่ได้มายากนะมันมักจะมีค่าเสมอ ของอะไรที่ได้มาง่ายๆนะมันก็ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ยิ่งประเภทหาซื้อนะหามาได้ด้วยเงินเน่นะสมัยนี้เราชอบอะไรง่ายๆอะไรที่ซื้อได้ด้วยเงินหาได้ด้วยเงินเราก็รีบครุรกทันยี่กับครุกทันทีแต่สิ่งที่ได้มานะมันก็จะมีคุณค่าน้อย ความสนุกสนานที่ได้มามันก็เป็นเพียงแค่ของชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ลืมเรือนหายไปแต่ว่าเราจะพบว่าเมื่อใ่ก็ตามที่เราเจอความยากลำบากประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะตราเครงใจและถ้าลำบาก ด, ด้วยกันมิตรภาพมันจะแน่นแฟนมาก นะทุกวันนี้เนะี่ยตามายังคบกับเพื่อนที่ร่วมค่ายนะสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วปี16นะไปออกค่ายนะตอนเป็นนักเรียนนะมศ .3 โรงเรียนสำชันไม่มีค่าย เ, เรียนทำกันเองไปออกค่ายที่ขอนแก่นนะบ้านหนองแสงอําเภอสีชมพูนะโอลําบากกันมาก อาหารแต่ละมื้อเนี่ยมีแต่วิญญาณไก่วิญญาณหมูนะน้ำก็ไม่มีสะอาดอยากได้น้ำก็ต้องไปขนเอานะเป็นกิโลไปขนเอานะหรือไม่ก็ไปอาบนั่เป็นกิโลไปอาบน้ำแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องอาหารนะบางทีก็มีการขโมยกันนะของในครัวก็ทะเลาะหมูแว้งกัน แต่สุดท้ายนะก็กลายเป็นกลายเป็นเพื่อนที่รักกันทุกวันนี้เรียนคบกันอยู่คือมิตรภาพมิตรภาพที่มันแน่นแฟใ น, นี่บางทีมันก็มักจะต่อยา ก, ก, การที่เราได้เจอความลําบากร่วมกันแม้ว่าตอนนั้นอาจจะเสียสูญไปบ้างทะเลาะเบาแบ้งไปบ้างแต่ตอนหลังเมื่อโตขึ้นก็นึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วหัวเราะขนะบขันเอามาเล่าด้วยความขบขัน ไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรเลยแม้ตอนชื่อว่าธรรมยากตราเนี่ยถ้ามันง่ายมันสบายนะพอเสร็จสิ้นสุดเรากลับบ้านเราก็อาจจะลืมแล้วเราก็คงจะลืมง่ายๆแต่ว่าเป็นเพราะว่ามันยากมันลำบากนะมันจึงตาตึงใจ ไอตอนเดินเน่ยก็โบนไปเดินไปก็บบนไปเดินไปก็บบนไปนะแต่หลังจากนั้นหลายปีเนี่ยเวลานึกถึงแล้วก็อดยิ้มไม่ได้นะว่าโอ้มันเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่ากลัวความยากลำบากนะแล้วก็อย่าไปเห็นว่าการเดินนะแบบนี้นี่มันมันไร้สาระนะมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ ที่รอการค้นพบจับเรามันไม่เร็วหรอกอะไรที่เจอเร็วๆ เ, เนี่ยมันไม่มีค่านะมันไม่ลุ่มลึกมันต้องใช้เวลาและจะเจอที่มันต้องเดินด้วยกันนะเดินด้วยการเดินเดินทนนนั้งที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนหรือว่าเดินแล้วจะได้อะไรนั่นคือหลายคนนะมาเดินที่ไม่รู้จะเดินไปทําไม ทำไมต้องมาลำบากแต่ว่าแต่ารมาเชื่อว่าเดี๋ยวเดินไปเดินไปนี่ก็จะค่อยเจอทีละนิดทีละนิดทุเรียนเนี่ยเนื้อมันจะไม่อร่อยนะถ้าหนา ม, มันไม่แหลมเห็นไหมทุเรียนเนี่ยเนื้อมันอร่อยเถ้าหนา ม, มันแหลม แต่คนที่ไม่รู้จักทุเรียนเห็นทุเรียนน้ําแหลมก็ความทิ้งมันเจ็ดเนี่ยเจ็ดไปทําไมทุเรียนแต่ถ้าเปนฉลาเนี่ยนะเมื่อเขาเจอทุเรียนเนี่ยเขาก็จะไม่ทิ้งนะเขาก็จะพยายามแกะเปลือกมันออกและเมื่อแกะเปลือกออกก็จะพบ เนื้อที่หวานหอมหอมนะเระบาบางคนบอกเหม็นนะแต่ว่าสักคนชอบก็ว่าหอมไ <c oughs> อความทุกข์ยากที่เราเจอในธรรมญาตาในวันนี้แล้วก็วันต่ อ, ต อ, ตอไป่าจะอาจาอาจะเจ็บอาจจะปวดนะเหมือนกับโดนหนามผู้เรียนทิ่มนะแต่ว่าอย่าทิ้งมันไปง่ายๆนะ เมื่อเช้าก็บอกไว้แล้วว่าเวลาเราเจ็บเวลาเราปวดเวลาเราทุกเนี่ยนะในธรรมะยากา ย, ยาเจ็บฟรีย่าทุกฟรีนะทำให้มันมีความหมายทําให้ได้ประโยชน์นะถ้าเราเจอความเจ็บความทุกความยากลำบากแล้วเราก็หนีมันทิ้งมันไปหรือว่ากลดามันเวลามันเกิดขึ้นกับตัวเรา อันนี้ก็คงไม่ตัดอย่างเราเจอท้เรียนหรือเราโดนโดนทุเรียนทิ้มแล้วเราก็ทิ้มมันไปอันนั้นไม่ใช่คนฉลาดนะคนฉลาดนี่ต้องนะจะต้องพาเรลืองออกไม่ได้พาเปิดอใช้เวลานะแต่ว่ารางวัลที่ได้นะก็จะคุ้มค่า เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าไปกลัวนะ อุปสรรคหรือความยาลําบากนะที่เ ร, เราอยู่อีกสีห้าวันหรือว่าที่เรเราอยู่ในวันข้างหน้าแม้แส่ช้นธรรมยัติตาลองหาความหมายจากมันหาคำตอบจากมันแนละเนะชื่อว่าคำตอบที่ได้มันจะคุ้มค่านะกับความความทุกข์ความยากความลาบากคานี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ